สวัสดีเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันวันนี้แม่ครัวจะมีอะไรมาพูดเนอะมีแต่เรื่องอาหารนะมั้งนะ <c oughs> หลวงพ่อท่านให้โอกาสได้ให้ดิฉันมาพูดเกี่ยวกับกา ร, รการใช้สติสัมปชัญญะในการทำงานบางคนอาจจะคิดว่าพวกเรา ทำงานเพราะทุกท่านนี่ตั้งใจกันมาใช่ไหมะแล้วส่วนมากก็มีใจเต็มร้อยนะที่มาที่นี่ได้เพราะว่าต้องทิ้งหน้าที่การงานครอบครัวลูกเต้าทุกอย่างเลยเพื่อจะให้มา <c oughs> ถึงวันนี้ได้ได้ได้มา ป, ป, ป, ปฏิบัติ สิบวันนี้นะไม่ใช่ธรรมดาเลยนะที่เสียสละมาเนี่ยกว่าอะไรจะลงตัวนี่โอ้โหมันไม่ใช่ของง่ายๆเลยนะเพราะว่าต้องมันมันมีอุปสรรคทุกอย่างเลยที่มันจะดึงเราไว้อะนะมันใจนึงก็อยากมันมันทุกคนมีจิตใจที่อยากจะมาอยู่แล้วนะแต่ว่าไอ้ตัวที่เรา ยังไม่เข้าใจนี่นะเพราะว่ามันเราอยู่ติดกับมันมานานเราเราเรายังแยกกันไม่ออกมันคอยจะดึงรั้งเราให้แบบว่านะมันอุให้เป็นอุปสรรคทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นนะการที่มาเนี่ยดิฉันถึก ขอบพระคุณมากนะที่ท่านทุกคนนะมีความเมตตาอยากจะช่วยพวกเราเห็นพวกเราเหนื่อยพวกเราก็ภูมิใจที่ว่าได้มาเป็นแม่ครัเพราะว่าถือว่าเป็นการทำงานที่แบบว่าเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมไปในตัวคือว่า เราถือว่ามีเกียรติมากนะคะถ้าเป็นสิ่งที่ทาเป็นสิ่งที่การการทำงานที่สูงสุดเพราะเราได้รับใช้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่เขาทั้งใจมาปฏิบัติเนี่ยมันแปบลบว่าไม่ถึงมันจะเหนื่อยกายนะแต่ว่าใจเราไม่เคยแปบลบว่าไม่เคยนึกเบื่อไม่เคยนึกกาคาญไม่เคยนึกหงุดหงิดเลย แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้เราต้องเข้าใจนะเราต้องฝึกการทำงานเพราะว่าในครัวนี่ถ้าเราไม่ฝึกสติสัมปชัญญะของเรามาก่อนนะทุกคนจะว่าแต่ว่ามาเจอกันในที่นี้แม้แต่ที่บ้านเนี่ยพอเราเข้าครัวเนี่ยใครมาใกล้ๆเราล่ะบางทีนี่ลูกเต่า อ, อย่ามากวนเลยออกไปยังไม่ถึงเวลา อ่าเดี๋ยวคนนั้นคนนี้ห้องครัวนี่แบบว่าแบบว่าเราต้องพึ่งเขาอะนะแต่ว่าเป็นความจำเป็นมากในการที่ว่าการดำรงชีวิตเราต้องมีห้องครัวอยู่แล้วนะคะถึงการจะไปปฏิปฏปฏบัติธรรมเราก็ต้องเป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้น เวลาท่านมาปฏิบัติท่านไม่ต้องกังวลใจหรือว่าถ้ากังวลใจก็ให้ดูตัวกังวลใจว่าอ๋อเนี่ยเรากังวลใจไปเราเป็นห่วงเขาเพราะจิตเรามีเมตตานะเราก็ดูใจในในช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยคือตอนที่เราปฏิบัตินี่มัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดึงจิตเราออกคือความเคยชินของเราเนี่ยอย่างเวลาเวลาพวกดิฉันทํากับข้าวทําอะไรเงี้ยใจคุณบางทีนี่ไม่รู้จะส่งมากี่ครั้งเราไม่ทราบนะคงหลายครั้งมั่งนะอยากจะลุกขึ้นมาช่วยอยากจะทําอะไรเห็นเขาแล้วก็สงสารโอ้เขาทําได้ยังไงทําไมเราเหนื่อยอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องมีใช่ไหมคะดิฉันก็มีดิฉันก็เคยเป็น เหมือนท่านท่านนี่แหละแต่ว่าหลังจากที่เราฝึกสติจราสสติเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้นะมันมันไม่มันก็ไม่ยากหรอกนะคะถ้าเราทําความเข้าใจแล้วก็เนี่ยฝึกซ้อมอย่างการสร้างจังหวะเนี่ยเหมือนหลวงพ่อท่านเรียนแบบว่าบางทีเราสร้างไปร้อยครั้งอาจจะรู้สักเดี๋ยวว่าแต่ร้อยเลย สักสิบครั้งเราจะรู้ไหมสองสามครั้งอย่างเงี้ยส่วนมากจิตเราจะเผลอไปส่งไปข้างนอกเนี่ยเวลาเราโดนกระทบอะไรเราไม่ทันเพราะว่าสติสัมปชัญญะเรายังอ่อนที่จริงเรามีแต่เราที่จริงสติสัมปชัญญะนี่นะมันมีอยู่ในตัวเราแต่เรายังไม่เคยฝึกให้มันออกมาให้มันใช้เป็น ให้เราใช้มันได้ เ, ดเวลาเราโดนกระทบอย่างเงี้ยอย่างเวลาเรามองเหมาะตาตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสใจได้รับรู้อารมณ์ต่างๆที่มันผุดขึ้นในใจอย่า ง, างเสียงดังเนี่ยท่านสังเกตดูนะฮะเสียงดังเวลาดีฉันทำอะไรดังๆเนี่ย บางทีมันอดไม่ได้ใช่มันต้องเดี๋ยวดูอย่างเงี้ยเพราะว่านะเราลืมเราลืมตัวเราไปละนะเราไปอยู่กับเสียงละนะแต่ตัวเพราะว่าก่อนที่เราจะทันตัวนี้นะ่คือว่าเวลาเราได้ยินเสียงหูเราได้ยินเสียงได้ยินท่านก็คงเคยได้ยินนะ คำที่ว่าได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเห็นก็สักแต่ว่าได้เห็นเคยเห็นไหมบางครั้งเนี่ยบางทีเราเราเจอใครเนี่ยฮะที่ว่าอย่างเราไม่เคยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบถูกชะตานะพูดง่ายๆนะมองเห็นปุ๊บเราไม่อยากมองเลยใช่ไหมฮะอย่างนั้นนั่นทำใจแบบนั้นอนะคือไม่อยากมองแต่ใจเรารู้อยู่ ใจเรารับทราบอยู่เรามองแต่เราไม่เรารับทราบแต่เราไม่อยากดูอีกละนะหูได้ตาเห็นรูปเนี่ยพอเห็นรูปปุ๊บถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะนะพอตาเรากระทบรูปอย่างเราเห็นขวดน้ำหรือพระพุทธรูปเนะี่ยเราจะดูไปถ้าเรามีสติสัมปชัญญะทันเห็นพระพุทธรูปก็เป็นพระพุทธรูปแล้วก็จบ มันไม่ปรุงแต่งไปอีกถ้าเรายังไม่เจริญสติสัมปชัญญะให้เข้มแข็งเราเห็นพระพุทธรูปเราก็จะปรุงไปแล้วโอ้นั่นพระรูปพระพุทธ ร, รูปทองคำนะนเนี่ยเอ๊ะไม่ชี้นี่ได้มาจากไหนนะสวยจังเลยมีอีกเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> นะมันจะคิดไปมันจะปรุงไปอย่างนี้จริงๆงเนี่ยเนี่ยของง่า ย, ายๆอย่างเงี้ยทำยังไงนะเวลาอย่าง อย่างริ้นดินะผู้ไ ด, ด้่ายในะการปฏิบัติดินะอย่างดิชันนี่นะเวลาปฏิบัติครั้งแรกเลยเนี่ยจะพูดกับตัวเองเลยเพราะว่ามันหาโอกาสยากยิ่งอเมริกาเนี่ยคุณคิดดูกว่าคุณจะทิ้งหน้าที่การงานมาปฏิบัติสิบวันไม่ชีต้องเตรียมงานโอ้โหครึ่งปีได้ไหมไม่ชีนั่นนะ่ะแล้วน้องไม่ชีนี่ต้องโอ้ทางานดูวันนี้มาดูสินะ่ะมาชุดขาวกลายเป็นชุดดํากลับบ้านเลยเนะ มอมแมมไปเลยทำงานแล้วกว่าจะจัดสถานที่ตรงนี้รองตัวนะกว่าจะโอเตรียมทุกอย่างเลยไม่ใช่ธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นนะดิฉันจะไม่เสียเวลาเลยแม้แต่ครั้งที่ปฏิบัติใหม่ๆนี่นะใครจะพูดกับตัวเองเลยนะใครจะเอา ขออภัยนะเอาเท้าขึ้นชี้ขึ้นฟ้าดิฉันก็จะไม่สนใจดูจะดูแต่นี่นะหละหลวงพ่อท่านให้สร้าง ส, างสางติก็สร้างเจริญสร้างจังหวะเนะี่ยดิฉันดิฉันก็จะสร้างจังหวะนะี่แหละไม่รู้แหละท่านบอกให้ทําก็ทํานะไม่เข้าใจอะไรหรอกตอนแรกไปทํำนะไม่ค่อยเข้าใจเลยนะแต่ก็ทนทนทำนะทนปวดเมื่อยเนี่ยเป็นโอย้ยหลวงพ่อท่านบอกว่ายืนเดินนั่งนอนทําได้ทุกอย่างดิฉันเนี่ยนอนเลยนะคะ นอนสร้างจังหวะแล้วเพื่อนบอกรู้พระสองท่านมาแล้วคือว่ามันหมดแรงจริงๆมันเหนื่อยจริงๆแต่ไม่ถอยยังสร้างจังหวะอยู่แต่ขอให้ได้นอนทาเนี่ยแล้วข้อสาคัญนะเวลาเรากลับที่พักเนี่ยมันจะหลุดตรงนี้เราทำมาทั้งวันเนี่ยโอ้เหนื่อยกันทั้งวันใช่ไมมเรารวมสติไว้โอ้ตั้งใจทาแต่เวลาเราเข้าห้องพักเนี่ยเราจะหลุดตรงนี้ล่ะ ดิฉันมีเพื่อนนะห้องพักเดียวกันเนี่ยเวลาฉันนอนเขาจะดึงมาเลยนะอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนมาคุยเรื่องก่อนดิฉันก็อ น, <ม> น, นอนะไม่อยากหายใจเพื่อนนะก็อก็ออออคุยบอกยังยไม่ดึกเลยลุกขึ้นมาบอกนั่นนะแต่ก็ฟังเขาพูดแต่ยังก็สร้างจังหวะฟังฟังหูได้ยินฟังป อ, อยจะพูดแล้วพูดไปนะใจดิฉันก็ จ, กจดจ่ออยู่กันเนี่ยสร้างจังหวะนี่แหละหาย้ะ เขาจะบอกว่าหยุดเถอะไม่เป็นไรคุณคุยไปฉันก็สร้างของฉันไปองนั้นก็แล้วกันเนี่ดิฉันถึงบอกว่ามันมันนี่นะสิบวันนี่นะมันเวลาน้อยจริงจริงแต่ว่านะฮะตอนนี้ิฉันปฏิบัติใหม่ใเนี่ยสิบวันดิฉันนับทุกวันเลยนะนั่งไปก็นับไปนั่งไปก็ดูนาฬิกาไปโอ้ยนาฬิกาบ้านเพื่อนมันเสียงดังนะตีตึ๊กตุ๊กดิฉันนี่ทุกทุก ทุกนะมันตีนะมันไม่เป็นเสียงตบมันเสียงทุกข้างนั้นเลยทุกจริงๆนะแต่เราต้องทนนะถ้าเราทนได้นะเนี่ยสิ่งที่เราแบบว่าเราจะทนไม่ไหวต่อนิ่วอน์าเนี่ยนะนี่วอน์าคือไอตัวเบื่อหน่ายฟุ้งซ่านงดกิรลำคาใจแล้วก็คิดหยุดความคิดไม่ได้เหนื่อยเวทนา นะทั้งข้างนอกข้างในแต่ตัวนี้ข้างนอกข้างในบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่เพียงแต่พูดให้ฟังไว้ก่อนนะเนี่ยนี่พูดถึงเรื่องลิ้นเมื่อกี้นี่ยังไม่จบพอลิ้นกระทบเนี่ยดิฉันตอนปฏิบัตินะอาหารอะไรที่ดิฉันชอบเลยนะเคยชอบนะโหบ้านเพื่อนนี่เขาเป็นเศรษฐีนะเขาเป็นหมอโอ้โหอาหารดีดีเลยนะที่ท่านจะอืม อยากนะความมันเคยอ่ะของชอบนั้นเลยฝื้นค่ะอ่าตักเคยตักเยะอะช้อนเดียวครึ่งช้อนบางทีนะเพื่อนเอาอีกเอาอีกอวันนี้แน่นท้องอเช้าเยอะพูดไปนะเพราะว่าเพื่อนเขาไม่เข้าใจเนี่ยบางคนนะเพื่อนเนี่ยเขาได้อารมณ์ดีอย่างนี้นะบางเพื่อนเขาปฏิบัติดีดีเนี่ยดิฉันเนี่ยโดนโดนเพื่อนนี่แกล้งสารพัดแหละ บางทีเนี่นะโอโหเราเรานั่งสร้างจังหวะที่หลวงพ่อท่านนี่ท่านบอกว่าไม่อยากให้พูดมากพูดก็เท่าที่จำเป็นดิฉันก็ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะเขาก็มาแกล้งให้ดิฉันพูดนะดิฉันก็ต้องทนนะเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้นะมันก็แต่ว่ามันก็เป็นคล้ายๆว่าบทเรียนบทศึกษาของเราอะนะทุกขั้นตอนไม่เหมือนกันหรอกเนี่ย แล้วอาหารนี่นะอะไรที่ดิฉันชอบนะดิฉันจะตักน้อยหรือจะไม่ตักเลยนะพอทำอย่างนี้บ่พอทาอย่างนี้หลายๆครั้งตอนที่ปฏิบัตินะมันก็มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาอาหารเนี่ยนะกระทบลิ้นเราเนี่ยเรารู้จักรสแค่นั้นพอเราให้เรารู้ว่าอันนั้นรสแล้วก็กินไปนะตอนกินอาหารนี่นะ สร้างสติสัมปชัญญะโอโหได้มากที่สุดเลยตั้งตามประสบะการณ์ของดิฉันนะคะเพราะว่ารถอาหารเนี่ยทานอาหารนี่มันอย่างว่านะมันไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมใครจะทานยังไงก็ได้จะชอบยังไงจะปรุงยังไงใช่ไหมแต่เราลองฝืนมันดูนะลองฝืนไม่ทำอย่างที่มันบอกเราดูสิมันจะตายไหมดิฉันคิดนะก็ผ่านมาได้สิบวันนะ สิวันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยแบบว่าก็ยังไม่ก็ได้สัมผัสอารมณ์รูปนามนะแต่ก็ยังทั้งที่ตัวเองรู้สัมผัสอารมณ์รูปนามแต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรเพราะว่าเราไม่มีบาลีไม่มีปริยัติไม่มีแบบว่าวิชาการมารับรองเราไม่เข้าใจแต่ครูบาอาจารย์ท่านผ่านมาเนี่ย พอเราไปเลเราไปเล่าอาการเวลานะท่านสอบอารมณ์เนี่ยท่านจะทราบท่านจะทราบว่าเราเนี่ยจิตเราอยู่ขนาดไหนเนี่ยท่านเดินไปคุณพวกคุณเดินไปเดินมาท่านรู้นะว่าใครเป็นยังไงท่านรู้หมดอ่ะตอนนี้ล่วงไปเท่าไหร่นะั่นนะแค่ไม่ต้องไม่ต้องเห็นเดินยกแขนท่านก็รู้ละว่าตอนนี้จิตไปถึงอยู่ที่ไหนนั่นะ ยังไงก็นะมันมันมันมันก็ไม่ยากนะอยากอยากจะให้อยากจะจะให้แบบว่ามาเป็นเพื่อนให้กําลังใจนะทุกคนต้องผ่านครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องผ่านอารมณ์นี้มาก่อนท่านก็เป็นเหมือนพวกเรา เ, ราเราท่านท่านเนี่ยทุกคนในเนี้ยนะมันมันไม่เกินความสามารถเพราะอย่างเงี้ยเพราะว่า เราเนี่ยทนต่อความแบบว่าความคิดโป่งไปเวทนาปรงไปแล้วก็ยอมแพ้มันนะอย่างเมื่อตอนเย็นเนี่ยหลวงพ่อท่านพูดถึงเรื่องเวทนาใช่ไหคุณคุณคุณพรสวรณ์นะต้องเอาไม้แซนั่งใกล้ๆแล้วคุณพรสวรรค์เนี่ยยังงั้นจริงๆนะเรื่องเวทนาเนี่ย แล้วแบบว่าสิ่งไหนนะแบบว่าที่ครูบาอาจารย์พูดนี่นะเราไม่ค่อยเชื่อหรอกถ้าเราปฏิบัติไปแล้วนะเราจะไปเจอถ้าเราไปเจอสภาวะนั้นแนละ้วเราจะไม่สงสัยเลยอ๋อที่ท่านพูดเป็นอย่างนี้อย่างเทปอย่างหนังสืออย่างอะไรซีดีวิดีโออะไรวีซีดีที่คุณดูมานะคุณต้องปฏิบัติไปด้วยแล้วคุณจะเข้าใจ ตอนนี้เราก็ฟังรู้เราเข้าใจเป็นภาษาแต่ว่าเรายังไม่ไปสัมผัสสภาวะนั้นนะล้วก็ว่าดีแต่ดีของเขาไม่ใช่ดีของเรานะเราต้องปฏิบัติของเราเองเอาให้เอาเป็นทรัพสมบัติทรัพย์ภายในของเราให้ได้นะนั่นะนะนะเราทำได้เนี่ยดิฉันไม่คิดเลยนะคะว่าดิฉันปฏิบัติมาเนี่ยสมะถะเนี่ยยี่สิบ ชีท่านเล่าหนะ่ะเห็นไหมะจะขึ้นวิปั ส, สนาท่านก็ไปไม่ถูกไปไม่ได้ดิฉันก็บอกว่าโอ้คงไม่มีบุญวาสนาแล้วเราเป็นคารวาแล้วก็ทําได้แค่นี้แหละวิปั ส, สนาเนี่ยไม่รู้เรื่องมันยิ่งสูงโอ้สมาธิก็นั่งหลับตานั่งอยู่อย่างนั้น่ะแล้วก็ไม่ไปไหนมีประสบะการณ์อย่างที่คุณไม่ชีท่านเล่าอ่ะนะนั่นอะ่ะพอนั่งบางทีก็อ่า ที่ก็เผลงง่วงหลับไปถ้าไม่สงบก็กดเพ่งทับข่มเอาไว้เป็นอยู่อย่างนี้แหละตอนนี้มีแขกนะไม่เป็นไรพอเรามาเจอเนี่ยท่านผู้รู้จริงนะ หลวงพ่อเนี่ยดิฉันยังไม่ทราบเลยนะว่าท่านเนี่ยเพราะว่าเคยเจอพระนี่นะมามากแล้วนะพอเจอท่านครั้งแรกนี่นะท่านบอกว่าอ่ามีพระสงฆ์มาดิฉันก็ไปทำบุญธรรมดาไม่คิดนะว่าจะเจอท่านท่านจะสอนท่านจะแบบท่านจะพาทาพาทาพา พาเราทำดิฉันคิดว่าอ๋อนี่มันคงนพอเข้ามาเลยเลยจิตเราส่งไปทันทีเลยเนาะเลยเลยไม่สนใจคนพูดเลยนะจิตเราส่งไปนู่น <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องปิดหรอกเราดูใจเราไปด้วย <Sing. S 1> เราไม่ต้องส่งไปที่เข้ากันแล้วกันนะฮะ <c oughs> นั่นน่ะ น, นะ <c oughs> <c oughs> เขาไม่ได้เจอกันเขาก็คงแบบทักทายกันธรรมดานี่แหละหลวงพ่อท่านถึงบอกว่าเวลาเราเราทําอะไรเนี่ยเห็นมหมยังยังเนี่ยทําให้เราเสียสมาธิง่ายๆเนี่ยถ้าเราจเจริญสติแล้วนะมันจะไม่มีใครจะมาใครจะไปนะมันมันแบบว่าสติสัมปชัญญะตัวนี้นะมันจะวางมันจะวางมันจะเข้ามาแทนที่เราทํางานเนะี่ยอย่างพวกที่ฉันทํางานเนะี่ยเราทาด้วยสติ สัมปชัญญะมีสติอยู่ในนั้นตลอดเราจะรื่สติจับอะไรนี่เรารู้นะทําอะไรเรารู้ระวางังอะไรทุกอย่างเลยแล้วมันไม่เหนื่อยเหนื่อยกายแต่ว่าเราทําอะไรนะเราแปบลบว่ามันมันรู้สึกว่ามันจะแบบเป็นอัตโนมัติของมันเองนะคะอย่างเงี้ยต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็แบบว่าขอให้ได้พักสักนิดหน่อยมันก็หายแต่ถ้าเราไม่มีตัวนี้นะเราจะทํางานนะ ทั้งหนักกายแล้วก็หนักใจทุกเลยนั่นแนหะดิฉันถึงบอกว่าเนี่ยต้องต้องทำนะนะต้องต้องอดทนอย่างคุณติ๋มนี่ตั้งใจมากเลยนะตั้งแต่ครั้งที่แล้วคราวนี้คุณติ๋มมีโอกาสนะคราวที่แล้วนี่โอ้โหยังวิ่งไปวิ่งมาไม่มีเวลาพอคราวนี้สิบวันเต็มๆเลยขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะคุณติม๋ม น, นะคุณเบด้วยฮะอุตส่าห์งานท่วมตัวก็อุตส่าห์มานะต้องอย่าต้องต้องอย่าใจรอยมากนะต้องต้องมันรอยก็ให้มันรู้ลอยแล้วก็กลับมาใหม่นะนั่นน่ะทุกคนก็ตั้งใจดีส่วนคนใหม่มาก็ ที่ที่ใหม่ที่ยังไม่เคยฝึกอย่างสายหลวงพ่อเทียนที่ยกสร้างจังหวะนั่นก็คงแบบสงสยัยเขายกไปทําไมเขาทำยังไงกันอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านก็ให้อ่าแบบรายละเอียดวันต่อวันอยู่แล้วนะก็ตั้งใจฟังตอนนี้เราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรเรากลับจากรีทวิตแล้วนะอย่าทิ้งเนี่ยกลับไปบ้านก็ทําต่อได้นะแล้ว พูดถึงในช่วงระยะเวลาที่อยู่ที่นี่สิบวันเนี่ยอย่าให้ขาดตอนตอนคตอนขณะปฏิบัติเนี่ยทานข้าวนอนหรือว่าทำอะไรเนี่ยมีสติทุกอย่างเลยอย่าทิ้งว่าเออเราเข้าที่ก่อนเราถึงสร้างไม่ใช่นะะอาบน้ำเข้าห้องนอนอะไรอย่างงี้นะโอ้สําคัญมากเลยพวกเนี่ยมันจะเป็นรวมมันจะไปรวมแบบว่าพลังที่เราทํามาทั้งวันเนี่ย นะให้มันรวมกันนะไม่เป็นให้มัเนเป็นกระจุกเลยอย่างนั้นนะถ้าเราเป็นถ้ามันกระจายนะมันจะไม่มีพลังเนี่ยพอเราหลุดปุ๊บมันกระจายเลยกว่าจะมาต่ออีกทีหนึ่งมันใช้เวลาเนี่ยอย่างางคงคงจะเข้าใจเนาะนี่กี่มองแนละ้วดิฉันไม่อยากจะพูดมากเา <Okay. S 1> พราะว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะที่พูด นะแล้วสักวันหนึ่งนะเริ่มจากตัวนี้ละอีกหน่อยถ้าเราผ่านโพนนิวอนไปได้แล้วนะเนี่ยทําต่อเนื่องไม่เข้าใจถามครูบาอาจารย์อย่าไปเกรงใจท่านท่านมาเนี่ยท่านมาให้กําลังใจม า, ม า, ม, ามาฝึกสอนเราเรามีอะไรนะเราไม่เข้าใจหรือว่าเราเป็นยังไงไปเข้าไปหาท่านนะท่านจะได้รู้ท่านจะได้ทราบไม่ต้องไปเกรงใจอย่างดิฉันมีอะไรจะให้รับใช้ก็บอกมาเลยไม่ต้องเกรงใจนะคะ ที่ฉันมามาม า, มาที่นี่นะเพื่อมาทำงานที่สูงส่งอันนี้โดยเฉพาะเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องมาเกรงใจนั่นนะ่ะแล้วก็ยังไงก็ อ, อจะมีอะไรจะพูดดีไหมเนี่ยถ้าไม่มีอะไรดีฉันก็จะพูดไปเรื่อยมีอะไรทำ คนใหม่ๆมีอะไรจะถามก็ม อ, อยากรู้เรื่องเลยถามได้นะนอ่าคุณติ๋มถามก็แล้วกันเนาะท่อนี้ม่ะม่อนี้ยนะ่ะทาอนี้แล้วเนี่วมันเหมือนกับไม่รู้เป็นเพราะว่ามันเบญนามันน้อยกว่านี้หรือเปล่าคือ คราวที่แล้วนะคะที่ปฏิบติตตที่บ้านคุณพอจังหวั น, นะะเหมันกับว่ามันจะมีสมาธิมากกว่านี้สติหมายถึงว่าเวลาทํำแต่เม่อวานนี้คราวนี้โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยจิตมันมันไม่ง่วงอย่างเมื่อ ว, วานเนี่ยมันมันค่อนข้างจะง่วงมากกว่าแต่วันนี้นะคะจิตมันฟุ้งมากกว่าแล้วทำไมอยากเห็นคนไปโยกเล็ก เป็นด้า น, น, นอยู่ไกลเพราะว่าจิตมันส่งออกนอกตลอดเลยเดีค๋คดเดี๋ยวเดีย๋ดวยวหูไปฟังวันนี้คุยเดี๋ยวตาไปมองมันนี้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบบอกไม่ถูกวันเนี้ยมันโดยเฉพาะามันเนี้ยมันมันจิตมันมันมืนส่งออกข้างนอกข้างนอกตลอดลที่มีอะไรจะแนะนํเพราะว่าจะทนทําอมันมันมันก็ธรรมดานะคนณติม ในการปฏิบัติเนี่ยนะสําหรับพี่นะในการปฏิบัติเนี่ยมันมันต้องมีอารมณ์อย่างเงี้ยขอรบกวนเรานะทุกอารมณ์หรือคนอื่นจะมีอารมณ์แตกต่างไปจากคุณติ๋มนี่ก็ ก, ก็ก็คงมีนะนั่นแนหะมันมันเป็นธรรมดานะค่าๆว่าเราฝึกเราไม่เคยแบบว่าเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมอย่างคุณติ๋มฟุง้งอย่างคุณติ๋มรําคาญคนเนี่ยเนี่ยคุณติ๋มจะต้องแบบว่าพอารําคาญคุณติ๋มก็หนีไปทําอย่างอื่นใช่ไหมคะ ทีนี้คุณติ๋มมาอยู่ในรูปแบบคุณติ๋มมาปฏิบัติใช่ไหมจะไปไหนอ่ะจะออกจากที่ก็ไม่ได้ใช่ไหมก็มีบริเวณอยู่แค่นี้ใช่ไหมมันยิ่งคเห็นว่าไปบีบไปบีบจิตน่อยนะว่าคือตัวกิเลสนะมันไม่ชอบใจเราไม่ชอบนะมันก็เลยโหเนี่ยเห็นไหมพี่ถึงบอกว่าการกระทบใช่ไหม การกระทบเนี่ยพอเห็นไหมหูได้ฟังเสียงไม่ชอบเลยตายลุ้มอยากจะหนีเลยนี่แหะนี่แหละตัวนี้ล่ะที่สําคัญมากเลยแต่เนี่ยมันมันจะต้องมีอารมณ์นี้ก่อนที่เราฝึกดีแล้วที่มาเห็นตัวนี้นะ่ะเห็นไหมพี่ถึงบอกนี่วอร์ทานี่ก็ตัวฟุ้งซ่านล่ะเนี่ยตัวแบบว่าเบื่อนายลาคาญฟุ้งซ่านมีในนั้นหมดเลย น, นะคะมั น, มน ไ, มไม่ชอบนะใจใจมันเด้งจะไปคุยกันพยายามพยายาม <c oughs> อนั่นแหะมันมันตัวอะไรมาแต่ว่าถึงก็ไปกันใหญ่มันใจเข้าใจมันถูกบีบไงมันพี่บอกมันอยู่ในเฉพาะที่เฉพาะที่เพราะเราปฏิบัติในรูปแบบเนี้ยมันก็จะดิ้นจิตมันจะดิ้นเพราะเราไม่ตามใจมันเห็นไหอยังเพราะเราไม่ตามใจมันเนี่ยเนี่ยจุดเนี้ยคุณตินต้องต้องนะ ดูดีๆนั่นนะ่ะพอมันฟุ้งมาดีแล้วที่ถามนั่นนะ่ะพอมันฟุ้งมาเพราะว่ามันจิตมันเด่นแล้วมันเราไม่ทําตามใจมันเรามักหรือว่ามากักขังมันเนี่ยดีละนั่นนะ่ะเป็นเป็นพี่ว่าถ้าก็ก็ทําไปก็สร้างจังหวะไปเดี๋ยวมันก็จะมีอารมณ์อื่นๆมาอีกเรื่อยๆ น, นนะนั่นนะ่ะแต่ตัวนี้น่ะเพราะว่าตัวนี้อีกหน่อย ทำให้ทาสร้างจังวหวะดูกําหนดมากๆากนะแต่อย่าไปเครียดอย่าไปตึงนะถ้ามันเดี๋ยวก็หนีไปนีอนนนบบนะ่อย่าหนีก็ในบริเวณนะอย่าหนีกลับบ้านก็นแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นั่นแนหะบางทีไม่รู้นะใครที่เนี้ยนั่งเลยเนี้ยคุณเบหนีกลับบ้านกี่ครั้งแล้วนะวันเนี้ยฮะ <c oughs> <c oughs> จิตเนะู้สึกไปเที่ยงไม่ไม่คิดหนีเลยเพราะ ม, มันยอมรับแล้วไงมันใกล้จากป้าทั้งสองชั่วโมงมันมันซินยอมซีโรล่าเลยพี่แต่ว่ามันเหมือนมันจะรู้จักแต่ว่าไม่มีใครบอกมันก็สงบนะดีนะ <laughs> เดี๋ยวดูพรุ่งนี้จะซีโรลา่าไปหรือเปล่าเนาะ <laughs> แต่ตอนตอนตอนสามโงพอมันเหนื่อยอกาทนามันมากใจนยะมันมันคิดนะ เมือไรนะหรเนาะหลวงพ่อจะพาไปเดินที่จริงมันจะากหนีจากเวทนาดูหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อจะเรียกไปเดินนะจะเรียกไป น, นั่นทางอย่าง่าเดี๋ยวหลวงพ่อก็เรียกไปเดินคิดคิดอยากจะออกไปแบบไปเดินแต่พอหลวงพ่อมาปัดขวดส่องหน้านีา่ก็เห็นอุ้ยนี่ท่านไม่เรียกไปเดินแล้วก็เลยได้ได้สมาธิแลออ้วมันตัดตัวนั้นออกได้มาเออมันทิ้งไปแล้วพอหลวงพ่อมันเรียกไปแล้วมันขึ้กลับมาแล้ว ใช่มันโซนอ่ะพี่มันจะจะออกไปมันจะจะหนีเวทนาหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาไม้ไม้เรียวมาไว้ใกล้ๆอ่ะนะไว้ขู่พราะนั่นและล้วพอพอพอใจมันยอมแล้วก็หลวงพ่อไม่พาไปละสี่มก็เลยปฏิบัติได้ดีหน่อยสมมูรสุดสี่ห้าดูเวทนาเวทนากายใช่ไหมปวดเจ็บปวดเมื่อยแล้วก็ หลวงพ่อสอนโยคะทุกวันแล้วก็กดจุดอะไรอะไรผ่อนคลายนวดอะไรให้เขาบ้างอย่างเงี้ยนะมันก็คลายคลายบําบัดไปได้นะมันก็ไม่หายอ่ะเดี๋ยวมันก็มาอีกอ่ะแล้วก็บําบัดไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันนะไปอย่างทาอย่างนั้นอ่ะคุณติ๋มพอเข้าใจไหมคะที่พี่พูดค่ะคุณคุณพรสวรสด์ มันไม่หลอกตัะเวนได้แล้วพี่เยี่ยวเนะวตอนนี้นมันก็โอเคนะเเห็นนิวอ่ะนะควมง่วงไงมันมามันแวะเข้ามาเออตอนนี้มองว่าสาวนี่เห็นอะไรก่อนมันจะง่วงนะมันมาเหมือนกับซึงซึงเข้ามาเออตัวนี้มันมาจากไหนไงก็เลยตั้งใจดูอีกเดี๋ยวดูไปดูไปเออ ความคิดเรามารวมประสงค์กันปึ๊บมันเงียบเพียงเดียวเห็นผาาเงียบไปเลยเห็นแล้วคิดคิอะไรอะไรเห็นเงียบไปโน้ก็เลยตั้งดูมันทั้งตอนเช้านั่นแหละตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันมาจากไหนตรงตัวนี้ในน้องนิงวรอนมันมาแบบเงียบๆนี่แหละออืเอานิดเดถ้าเราดูดีๆแล้วมันเห็นมันก็ผ่านแล้วแบบตอนเย็นแล้วไม่อไวนะ้ําเวทนาก็เลยลืมตัวนิวรอนอืมเด นั่นน่ะหัดลืมซะบ้าง อ, อย่าไปคิดมากลืมๆืมมันซะบ้างลืมไปอีกตัวนี้หรอกอยู่กับเวชการเลยไปจะไม่ถึงไหนเลยตอนอจากตอนนี้เอานะพี่จะสรุปเลยน ะ, ะสติสัมชัญญะเนี่ยนะเหมือนมันเหมือนภ า, าชนะนะที่รองรับรองรับทุกสิ่งทุกอย่างนะที่มากระทบเราอย่างเวลาเรา สังเกตไหมเวลาคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเราไม่อยากเจอหน้าใช่ไหมเราไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับเขาบางทีโหอย่าอย่าว่าแต่เจอเลยคิดยังไม่อยากจะคิดแต่มันคิดมันอดคิดไม่ได้ใช่ไหมนี่แหละพี่ถึงบอกว่าภาชนะตัวนี้นะถ้าตัวสติสัมปชัญญะที่หลวงพ่อท่านพูดนี่นะเวลาโดนกระทบปุ๊บภาชนะตัวนี้อมันจะรองรับนะไม่ให้จิตเราเนี่ยรั่วไหลไปตามอารมณ์นะ เวลาอะไรมากระทบเราปุ๊บเนี่ยอย่างคนมาว่าเราเนี่ยคนมาว่าเรานินทาเราอะไรเราเนี่ของหยาบหยา บ, บอย่างนี้นะไม่ใช่ว่านะนินทาเราเนี่ยใครมาพูดให้ฟังนี่ใจเรายังไม่พอใจใช่ไหมโอ้โหบางทีขึ้นปุดปุบเลยจะไปถามเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมแล้วการกระทบเนี่ยที่ต่อกระทบกันทั้งวันทั้งเนี่ยต่อหน้ากันเนี่ยจะขนาดไหนอารมณ์นั้นน่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเนี่ยเป็นทุกเป็นทุกทุกวันเนี่ยเพราะอารมณ์นะเนี่ยสังเกตดูสิวันหนึ่งเรามีกี่อารมณ์เดี๋ยวก็ชอบอันนั้นเดี๋ยวก็ไม่ชอบอันนั้นเดี๋ยวก็อยากได้อันนั้นเดี๋ยวก็ความคิดเบื่อเดี๋ยวก็ทุกอย่างเลยเนี่ยพออารมณ์ดีเราก็ชอบอารมณ์ไม่ดีเราก็ไม่ชอบเราอยากได้อารมณ์ดีๆแม้ปฏิบัติเนี่ยบางคนก็อยากทําไมนะมันไม่สงบไม่สว่างไม่สบายสักทีใช่ไหม เนี่ยมันก็มีอย่างเงี้ยเนี่ยอารมณ์พวกนี้นะโหดมันมันไม่ใช่ธรรมดานะมันทํามันทําลายจิตใจถ้าเราเข้าใจตัวนี้นะตัวธรรมรมณ์นี่นะเนี่ยแล้วเราจะแบบว่าเราจะสบายไป แบบว่าได้ได้รู้จักตัวเราเองเราจะสบายกายสบายใจไปแบบว่าชั่วชีวิตเนี่ยเราเกิดมานี่นะเราเคยได้ศึกษาตัวเราไหมเรารู้จักตัวเราไหมเรามีแต่มองออกไปข้างนอกไปเอาข้างนอกหมดอยากได้นั่นอยากเอานูน่นตั้งแต่เกิดมาเห็นไหมมีเอาเข้าไหมมีแต่แบบว่าเข้ามาดูตัวเองไหมส่วนมากจะส่งออกไปข้างนอกตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมโ mm hmm. ตขึ้นมาไปโรงเรียนทํางานแต่งงานมีครอบมีครัว อยากต้องมีนั่นมีบ้านมีรถมีไรสารพัดต้องเอาต้องเอาตลอดเวลาเราไม่เคยดูกายกับใจเราเลยเนี่ยที่เขาต้องรับทุกทรมารต้องทนต่ออารมณ์ที่เราอยากได้เนี่ยบางทีเจ็บป่วยยังไงเราก็ต้องดิ้นรนไปทํางานเพราะว่าเราอยากได้สิ่งบางครั้งบางครั้งเนี่ยไม่ไม่จำเป็นด้วยนะไม่จําเป็นการต่อการดํารงชีวิตด้วยเราก็อยากได้เพราะว่าอะไร เพราะว่าเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่ได้ศึกษาธรรมะว่าทําไมไอ้ตัวเนี้ยมันทำไมยากเนี่ยเพราะทุกอย่างมันมีสาเหตุมันมีต้นเหตุเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนตั้งแต่เหตุเหตุเกิดทุกเหตุของมันทําไมเราเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีต้นเหตุแต่เราต้องศึกษาศึกษาตัวนี้ไปก่อนแล้วเราจะเห็น เห็นเหตุมันเลยนะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัตินะเราจะเห็นเห็นในหนังสือเราอ่านเราฟังเทปเราเข้าใจแต่ถ้าเราไม่มาเจริญสติไม่มาสร้างสติของเราเองสรปพชัญญะของเราเองเราจะไม่เข้าไปสัมผัสตัตวนี้แล้วเราจะทิ้งไม่ได้เราทิ้งแต่ปากบอกฉันฉันยฉัไม่เอาแล้วฉันปล่อยวางแล้วปล่อยวางใช่ปล่อยวางอันนี้แต่มันไปอยากได้อันนู้นใช่ไหมนั่นอ่ะนะมันเป็นอย่างนี้ลนะ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ะ ถึงบอกว่านี่ยถ้าถ้าเราเจริเสตินะถ้ามันแบบว่าแบบว่าเราช่วยเหลือตัวเราเองได้แล้วเรารู้แล้วว่าเออถ้าทุกข์มันมาไอตัวง่วงมันมาไอตัวเวทนามันมาอย่างไงนะเราจัดการกับมันได้นั่นน่ะเราไม่ต้องมันมันไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วตัวนี้จะหายไปไหนนะยังมีแต่เรารู้วิธีการจัดการกับมันแต่ตอนนี้มันมาทีไรเราเรียกเข้าเข้าบ้านทุกทีใช่ไหม เรียกขโมยเข้าบ้านเพราะว่าอย่างเงี้ยเปิดประตูต้อนรับเลยบนทีใช่ไหม <laughs> นเนี่ยเนี่ยเราไม่ทันมันอะเราไม่ทันมันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยทำนะตีออขอรับรองเลยนะว่า สิ่งทุกอย่างไม่ว่าทุกกายทุกใจอะไรอารมณ์ลึกๆเนี่ยบางครั้งที่เราแบบว่าเราเคยมีอะไรหมองใจกับใครบางคนหรือว่าเราไปทําอะไรที่แบบว่าผิดศีลผิดธรรมอะไรนะบางครั้งเราก็ไม่ได้เจตนาใช่ไหมเราเป็นผู้ทุชนน่ยเราก็แบบว่าพังเผลอไปอย่างนี้นะถ้าอารมณ์นี้นานๆเราก็คิดขึ้นมาใช่ไหมคิดๆมาว่าโอ้ทุกใจคิดขึ้นมาอะไรทุกใจนี่มาปฏิบัติอย่างเงี้ยเนี่ย มันจะชาระตัวนี้ได้แล้วเราคิดบาทยายเราจะไม่เศร้าหมองใจคิดมาสิ่งที่เราทำอะไรไว้นะไม่ว่าเป็นอกุศลใดๆนะสิ่งใดๆนะที่เราไม่อยากจะคิดถึงมันเนี่ยนี่แหละคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านชำระบาปได้ชำระบาปคือแบบว่าจิตใจเราไม่เศร้าหมองคิดมาทีไรนะจิตใจเราก็ ไม่ไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วมันถอนอุปทานตัวนี้นะแล้วว่าสิ่งไหนที่มันจะสลัดออกอะมันจะสลัดออกมันจะสลัดออกมันรู้ว่ามันเป็นภาระของจิตภาระของขันห่านะมันจะไม่รับแล้วเพราะมันเหนื่อยมันแบกมากี่ปีแล้วแต่ละคนนั่นนะพอเราได้วางสิ่งนี้ออกนะโอ้เนี่ย อย่างพระ อ, อริยเจ้าท่านทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าโอ๊ยเหนือโลกเหนือโลกท่านไม่ได้เป็นเหนืออะไรเลยนะท่านยืนอยู่เหนืออารมณ์นี่แหละอารมณ์เนี่ยที่มากระทบเนี่ยไม่หวั่นไหวเนี่ยท่านยืนอยู่เหนือแค่นี้เองพระพุทธเจ้านะอะพระ อ, อริยเจ้าท่านนะนะเนี่ยท่านก็ฝึกเนี่ยเราก็ฝึกจากนี้จากสร้างจังหวะไปเนะี่ยใครจะว่ายังไงก็ช่างนะนะ มันดูแบบว่ามันคล้ายติ๊งต้องอะไรอย่างนั้ น, นบางครั้งนะคนเข้าไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ต้องไปสนใจใครจะว่าอะไรเราไม่ไปทําบาปคิดว่าเราไม่ได้ทําบาปแล้วก็ใช้ได้ละนะอย่างเงี้ยที่น่างก็กว่าจะรับได้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะโอ้ยหลวงพ่อที่ท่านต้องโอ ออกอบายเยอะเลยกันดิชันนะฮะมันไม่ใช่ของรับง่ายๆอย่างเรายังไม่เราไม่เคยทําใช่ไหมนั่งทีไรก็นั่งหลับตาหลับตาเงี้ยยี่สิบปีพอให้ทำมาทำอย่างนี้นะอย่างพวกคุณนี่ยังโชคดีนะยังมาสร้างจังหวะอย่างคนใหม่ๆเนี่ยสร้างจังหวะได้เลยดิชันเนี่ยกว่าจะยกมือนี่ท่ามยอมหรอกดูไปก่อนว่าท่านจะมาไมา้ไหนน่ะนี่เนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมมันมันเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมชาตินะนะเป็นธรรมชาติของมัน ออแล้วเนาะวันนี้ก็ดิฉันก็มีเวลาอยู่กันอีกหลายวันก็อขอให้ทุกคนนะพยายามทํานะเอาให้ได้นะเนี่ยเรามีโอกาสแล้วครูบาอาจารย์เนี่ยโหมาตั้งสามรูปเชียวนะนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะอย่าให้ท่านอย่าให้ท่านอยู่เฉยเฉนั่นนะ่ะเนะนั่นนะ่ะสามเทคนิคนั่นนะ่ะ<า>โอเคถ้ายัางไงก็ดิฉันก็ขอสรุปนะแล้ว น้องจะเรียนถามท่านก็ถามนะก็มีอะไรก็เราก็บอกกล่าวกันได้นะถ้าทำอะไรอึดอัดใจหรือไม่สะดวกอะไรบอกพี่ได้แล้วก็เรามีอะไรเราก็อยู่กันเหมือนพี่น้องนะแบบว่าช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเพราะว่าเราได้มาศึกษาทางเดียวกันถ้าเร า, เราไม่มาทางนี้เราก็อาจจะไม่ได้เจอกันนะเพราะว่าคงคงมีบุญวาสนาคงทาด้วยกันมาบ้างอะนะ เพราะเรายังแบบว่าไม่มียานรู้นะว่าเราอดีตชาติเราเป็นอะไรไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นเนะคิดว่าวันนี้ปัจจุบันนี้เวลานี้ที่พูดอยู่ขนานเนี้ยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเอาปัจจุบันล้วนๆเลยนะั่นแหะอะไรๆปล่อยวางภาระให้หมดนะเนี่ยเอาเนี่ยห้าวันเต็มๆเนี่ยให้ให้ให้มันแบบว่าโอเคเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเมื่อไหรเราจะมีโอกาสอย่างนี้อีกนะเพราะฉะนั้นพี่ขอให้ทุกคนนะตรง ได้มีแบบว่ามีความพยายามตั้งใจปฏิบัติให้ได้เห็นให้มีดวงตาเห็นธรรมทุกๆคนนะให้ได้จากสุจากสุเปิดแล้วก็สบายนะ